พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่เกข้อยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดความว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนกมุนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้า ก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เวลาแหตุการณ์เผยพระวจนะหัวข้อพื้นที่แห่งชัยชนะเอ็นโซนโดยท่านศิจิยพิบาลคริสตักรเพ็่น้งครับสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ ผมได้พูดถึงเรื่องของคอมฟอร์ตโซนซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความสะดวกสบายแล้วก็คอมแบทโซนซึ่งเป็นพื้นที่แห่งสงครามฝ่ายวิญญาณและวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของเอนโซนนะครับซึ่งใช้คำว่าพื้นที่แห่งชัยชนะแท้จริงแล้วคำว่าเอนโซนนะครับจะพบในอเมริกันฟุตบอลใช่ไหครับเวลาที่นักฟุตบอลนั้นรับลูกนะครับซึ่งจะเป็นฟอร์เดอร์บหรือจะเป็น ศูนย์หน้าอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งตัววิ่งนะครับที่จะรับลูกแล้วเนะี่ยก็จะต้องวิ่งเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เขรียกว่าเอ็นโซนนะครับเอ็นโซนนี้ก็คือว่าใครก็ตามนะครับซึ่งเป็นฝ่ายบุกสามารถที่จะวิ่งรับลูกบอลเข้ามาถึงพื้นที่ตรงนี้ได้เรียกว่าเอ็นโซนเอ็นโซนนั้นเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกนะครับว่าเราเรียกว่าเป็นพื้นที่แห่งชัยชนะในพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับ ได้พูดถึงเรื่องของการวิ่งแข่งพูดถึงเรื่องของนักสู้หรือนักมวยนักกีฬานะครับผมได้อ่านบทความในเร็วนี้บอกว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเราจะต้องมีความสมดุลครับหรเรียกว่าความสมดุลหรือบาลานซ์ของชีวิตในขณะที่เราเป็นนักสู้นะครับเราก็ไม่ใช่เป็นคนที่สู้ไปเรื่อยๆสู้แบบตะบีตะบันแต่เราต้องรู้จักถอย ในขณะที่เราเป็นนักคิดนะครับบางครั้งเราก็มีความเข้มแข็งในด้านความคิดแต่ว่าเราเองนั้นจะต้องยอมนะครับในลักษณะของการปล่อยวางเช่นเดียวกันในขณะที่เราจะมีชีวิตที่สมดุล น, นั้นเราสามารถเข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะได้อย่างไรที่จะไม่พ่ายแพ้<ม>เพราะว่าพระว จ, จนะของพระเจ้าได้เปรียบเทียบเรานะครับว่าเราเป็นเหมือนกับนักกีฬาเราเป็นนักสู้ เราเป็นนักวิ่งขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเข้าใจบทบาทของเราในฐานะที่เป็นนักสู้และเป็นนักวิ่งขอพระเจ้าช่วยเราที่จะหนุนใจเราให้เข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมกับที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราและมีความซื่อสัตย์เหมือนกับทหารมีความเข้มแข็งอดทนต่อสู้เป็นนักสู้ที่ดีน่าเสียดายครับที่ หลายหลาคนหรือบางคนนั้นไม่ไปถึงพื้นที่แห่งชัยชนะเพราะชีวิตของเขานั้นล้มเหลวเขาไปไม่ถึงเป้าหมายของพระเจ้าในที่สุดแต่ไม่ได้รับรางวัลในการรับใช้นี่เป็นความน่าเสียดายเสียใจอย่างยิ่งในการทํางานรับใช้พระเจ้าห ล, ลายหลาคนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองกําลังรับใช้พระเยซูอยู่กําลังทํางานของพระเจ้าแต่เขาพ่แพ้ต่อตัวเองในพื้นที่แห่งสงครามฝ่ายวิญญาณ พี่น้องครับการพ่ายแพ้นั้นมีสองชนิดครับพ่ายแพ้แบบแรกก็คือว่าคนที่วิ่งหรือคนที่สู้นั้นไม่สามารถรับรางวัลได้คือพูดง่ายๆว่าวิ่งไปแล้วจนถึงสุดท้ายนะครับแต่ไม่ได้รับรางวัลอันนี้เรียกว่าการพ่ายแพ้การพ่ายแพ้อีกแบบหนึ่งก็คือว่ า, า, า, า, บบวาไม่สามารถออกจากไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ต้องออกจากการแข่งขันในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับ เราเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเราจะต้องตั้งเป้าว่ามีวันหนึ่งครับเราจะต้องเข้าถึงพื้นที่แห่งชัยชนะมีคํากล่าวงนี้ครับว่าเกิดเป็นคริสเตียนทั้งทีเนี่ยต้องเป็นให้ดีที่สุดเกิดเป็นคริสเตียนทั้งทีต้องเป็นให้ดีที่สุดเหมือนกับพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่บทที่สี่ข้อที่หนึ่งนะครับเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจําจองเพราะเห็นแก่องค์พระบุตเป็นเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย ให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นอาจารย์บาโลท่านถูกจําจองถูกติดคุกเพราะเห็นแก่องค์พระ้เนเจ้าเห็นแก่การประกาศข่าวประเสริฐครับแต่ชีวิตของท่านเนี่ยไม่เคยหยุดที่จะสู้ไม่เคยหยุดหยุดที่จะคว้าชัยชนะครับและตรงนี้ท่านเองผู้มีประสบการณ์เนี่ยทั้งวิงวอนพวกเราบอกว่าให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตให้สมให้สมคำว่าสมในที่นี้ก็คือว่าให้สมศักดิ์ศรีครับให้สมศักดิ์ศรีที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเรา หลายครั้งทีเดียวเมื่อเราถอยกลับไปดูชีวิตของเราเนี่ยถามว่าเราทําสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าเราทําตัวเป็นลูกของพระเจ้าอย่างสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าเราทําตัวให้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ข้าพเจ้าอย่างสมศักดิ์ศรีหรือเปล่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราจะชนะหรือแพ้เราถูกพระเจ้าเรียกให้มาเป็นลูกของพระองค์ให้มาเป็นคริสเตียนทั้งทีอย่าลืมนะครับต้องเป็นให้ดีที่สุด เพื่อเราจะเข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะอย่างไม่เสียดายเสียใจพื่อครับในเช้าวันนี้เนื้อหาของผมก็จะแบ่งเป็น3ประการนะครับที่พูดถึงเรื่องที่ว่าเงื่อนไขสาประการในการที่จะเข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างประการแรกครับอธิษฐาของพระเจ้าบอกว่าให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอัคขรุปเปาโลเขียนไว้ในข้อที่26ของหนึ่งโครมตุที่บอกว่า ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมไม่มีเป้าหมายครับแต่ต่อสู้อย่างมีเป้าหมายวิ่งแข่งอย่างมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นเงื่อนไขประการแรกของการที่เราจะเข้าสู่พื้นที่เฉชนะนั้นเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนของเราคืออะไรครับเป้าหมายสุดท้ายของเราคือสวรรค์และบาเหน็จที่พระเจ้าจะให้กับเรา ประการต่อไปก็คือว่าเราจะต้องระวังไม่พลาดเป้าไม่พลาดเป้าหรือหลงเป้าการพลาดเป้าหรือหลงเป้านั้นมันเกิดจากกา ร, ราจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยมันพลาดไปมันผิดไปครับเพิ่มนี่บอกว่าการยิงพลาดเป้าคือความบาปคาว่าฮามาเทียซึ่งแปลว่าความบาปนั้นคื อ, คอยิงยิงลูกธนูไม่เข้าเป้านั่นถือว่าพลาดเป้า เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะ น, นั้นต้องระวังไม่ให้พาดเป้าหรือหลงเป้าพูดง่ายว่าอย่าไซแทรไซแทรคืออะไรครับทางที่เราจะวิ่งแต่ว่าเราหลงไปครับออกนอกทางเล็วออกนอกลู่อันนี้คือสิ่งที่พระอพีได้พูดไว้ในหนึ่งโครินบทที่สิบข้อสิบสองพระเจ้าเตือนเรานะครับที่เราถฐานะเป็นนักวิ่ง พระเจ้าตรัส ว, ว่าเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวจะลม้มลงแท้จริงแล้วเราคิดว่าเราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ถ้าเป้าหมายแล้วชัดเจนแต่ในขณะที่เราวิ่งอยู่นะครับระวังครับพลาดเป้าหรือหลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องระวังการจัดลำดับความสำคัญนะครับผิดไปเราอาจจะวางใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะวางใจพระเจ้านี่ถือว่าพลาดเป้าครับ เร า, า จ, จะวางใจในความร่ำรวยเร า, า จ, จะวางใจในความในการมีชื่อเสียงนะครับเราอาจจะรักโลกหรือสิ่งของในโลกนี้มากกว่ารักพระเจ้าเราหลงคําเยินยอนะคายกยอปอปั้นของมนุษย์อันนี้ครับทำให้เราพลาดเป้าได้ประการที่สองครับเงื่อนไขประการที่สองก็คือเราต้องอยู่ในกติกาพระเจ้าประทานกติกานะครับ ในข้อ25นี่บอกว่าฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบระเบียบในที่นี้หมายถึงกติกาครับพระเจ้าได้ประทานกติกาก็คือเพิ่มพีเดิมเพิ่มพีรใหม่เพิ่มพีเดิมบัญญัติสิบประการใช่ไหมครับเพิ่มพีใหม่มีพระมหาบัญญัติสองประการด้วยกันก็คือให้รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดแล้วก็ประการที่สองคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง และยังมีกติกาอื่นๆยังมีระเบียบอื่นๆที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเราทั้งหลายต้องเชื่อฟังทีน้องครับกติกานั้นหมายถึงขอบเขตขอบเขตที่เราสามารถทําได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้นั่นคือกฎเกณฑ์กติกานั้นนะครับก็เป็นกฎเกณฑ์เป็นข้อบังคับเป็นขอบเขตของผู้เล่นพวกเราทั้งหลายจะต้องเล่นอยู่ในกติกานะครับเล่นอยู่ในขอบเขตในกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ในพระธรรมยอห์นบทที่12นะครับผมจะฝากไว้พระมุีสามข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราจะรับกติกาและรู้จักกติกานี้ยอห์นบทที่12ข้อที่48เราจะรู้จักกติกาแรกนะครับก็คือว่าคำของพระเจ้านั้นถือว่าเป็นกติกาครับเพราะเจานะของพระเจ้านี่ถือเป็นกติกาถ้าบูใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่ภากษาเขา สิ่งหนึ่งที่จะพิพากษาเขานั่นคือคําของพระเยซูเพราะชนะของพระเยซูจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายอีกข้อหนึ่งครับมัทธิวบทที่เจ็ดข้อยี่สิบเอ็ดมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระภัยพระบิดาของเราผู้นั้นผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้นั่นหมายความว่ากติกาอันนี้นะครับก็คือต้อง ปฏิบัติออกมาไม่ใช่แต่ปากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเรียกพระเยซูเราเรียกพระ อ, องค์ว่าพระ อ, องค์เจ้าข้าพระ อ, องค์เจ้าข้าเราจะได้รับรางวัลเราจะเข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะนะครับเราจะต้องปฏิบัติตามพระไุรของพระบิดาอันนี้คือกฎติกาหรือกฎเกณฑ์อีกข้อหนึ่งกติกาอกข้อหนึ่งครับก็คือในสองยอนบทข้อที่9ผู้ใดล่อลวงและไม่อยู่ในโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ใดอยู่ในโอวาทของพระคิดก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตรตรงนี้นะครับทําให้เรารู้ว่าโอวาทของพระคิดหรือหลักการหลักคําสอนของพระเยซูนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นเป็นกติกาเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับหลายหลายครั้งทีเดียวนะครับคริสเตียนเราเนี่ยคิดหลักการของเราขึ้นมาเองและสร้างหลักปฏิบัติของตัวเองขึ้นมา ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าแท้จริงแล้วพระวจนะของพระเจ้านะครับถือว่าเป็นกติกาและระเบียบที่สูงที่สุดแต่บางคนนะครับชอบมโนโหลักการขึ้นเองสร้างหลักปฏิบัติของตัวเองขึ้นมาในเชิงของภาษาชาวบ้านนะครับไม่ทราบพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าหลักกูนะ หลักกูรรมานานพี่น้องลองขวนดูสิครับกลายเป็นหลักการธรรมนูญ น, นี่เป็นสิ่งที่เขาพูดเล่นกันนะครับในวงการเกี่ยวกับเรื่องของการทำหลักก า, การทางการทากฎระเบียบต่งางๆอะไรที่เราทำมานานกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นระเบียบปฏิบัติหลายหครั้งทีเดียวเราต้องยอมรับว่าระเบียบปฏิบัติหลายอย่างนั้นขัดกับพระวจนะของพระเจ้า และตรงนี้เองครับทำให้เราเนี่ยถูกไซด์แทรกออกไปทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าเขาเป็นคน่อด ล, ลวงไม่อยู่ในโอวาสของพระคิดเพราะเขาไม่มีพระเจ้าประการที่สามครับเงื่อนไขประการที่สามคือหมันฝึกฝนพระคัมภีกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเคร่งครัดในการฝึกฝนตัวเองการฝึกฝนตัวเองนั้นแบ่งออกเป็นหลายด้านครับพระวจนะพระเจ้า ได้กล่าวไว้บอกว่าด้านแรกก็คือว่าข้าพเจ้าทุกตีร่างกายของข้าพเจ้าให้มันแข็งจนอยู่มืออันนี้คือการรู้จักควบคุมตัวเองนับว่าเป็นเรื่องหลักของการไม่ทําบาปครับการรักษาชีวิตของตัวให้บริสุทธิ์พระคัมีใช้คําว่าการบังคับตนเปรียบเส ม, มือนกับบังเหียนครับบังเหียนที่คอบปากม้าครับเป็นเครื่องบังคับมา้าให้ไปในทางที่ต้องการ เราต้องยอมให้พระเจ้าบังคับบัญชาเราให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการให้พระเจ้าถือบังเหียนชีวิตของเราเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นโดยรับการฟื้นฟูจากพระเจ้ารับการชำระที่มาจากพระเจ้าโดยการกลับใจใหม่โดยการถวายชีวิตให้เป็นเครื่องบูชาแ ด, ด่พระองค์เราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจทําให้จิตแจของเรานั้นสดชื่นใหม่สดเสมอด้วยการอ่านพระวนะของพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอ เราต้องไข่ครวญถึงพระองค์อย่างสม่ำเสมอเราจะต้องฝึกวินัยให้กับตัวเองเราจะต้องหมั่นออกกำลังกายสามัญสำนึกในหน้าที่ของเราผมชอบคำนี้ครับว่าหมั่นออกกำลังกายสามัญสำนึกผมใช้คำว่าหมั่นออกกำลังกายสามัญสำนึกหมายว่า exercise your common sense เพราะว่ามีคำพูดเขียนว่าอย่างนี้ครับ common sense is not common สามัญสานึกนั้น มันไม่เป็นเรื่องสามัญเพราะบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่มีสามัญสำนึกอย่างที่สังคมปฏิบัติกันด้วยเหตุนี้เองทําให้เราต้องเข้ามาถึงหลักการของการรู้จักควบคุมตัวเองและนี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเมื่อเรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นการควบคุมตัวเองของเรานั้นจะสามารถกระทําได้โดยอาศัยกําลังที่มาจากพระเจ้าเพราะเจนะของพระเจ้าได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านยังต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระชนะของพระเจ้าท่านหลายต้องกินน้ํานมไม่ใช่อาหารแข็งพระชนธรรมของพระเจ้ากล่าวชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องค่อยๆพัฒนานะความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เราต้องพัฒนาเรื่อยๆขึ้นไปนั้นทําให้เรา่านหลักธรรมเบื้องต้น หมายความว่าหลักข้อเชื่อหลักคาสอนเบื้องต้นในการที่คนจะรับชีวิตดิรันเราย้องเติบโตผ่านจุดนั้นไปครับเพื่อที่ว่าเราเองนั้นจะสามารถไปถึงแผนการของพระเจ้าและวัตถุประสงค์และพื้นที่แห่งชัยชนะได้ประการต่อไปครับเราจะต้องใช้ของประธานนะครับฝึกฝนใช้ของประธานอย่างถูกต้องและมีทักษะ การใช้ของประธานอย่างถูกต้องจะมีทักษะหมายถึงว่าเราจะต้องสำรวจของประธานของเราก่อน <c oughs> เราจะต้องไม่ลืมว่าพระหมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์จะต้องเดินควบคู่ไปกับพระหมหาบัญญัติพี่น้องโปรดจํำนะครับว่าพระหมหาบัญชาจะต้องเดินควบคู่ไปกับพระหมหาบัญญัติพระหมหาบัญชาก็คือเราออกไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกพระหมหาบัญญัติก็คือว่าเราต้องรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต จิตสุดใจรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองที่นองครับการที่เราจะต้องมีภารกิจหลักและพันธกิจหลักในการประกาศภกิติคุณขยายแผ่นดินของพระเจ้าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั่นนี่คือพระหมหาบัญชาหลายคนถามผมว่าอาจารย์ผมอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะทําอะไรดีผมจะตอบครับก็คือทําตามพระหมหาบัญชาทําตามพระหมหาบัญชาที่พระเยซูสั่งเรา ถ้าพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เรารับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในโบสถ์ก็ดีอยู่ในครอบครัวของเราก็ดีหรือว่าอยู่ที่ทํางานของเราดีแล้วเราถือว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าต้องถามตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับการประกาศพระกิติคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าเราทําแบบนั้นโดยที่เพื่อการประกาศพระข่าวประเสริฐเพื่อนําคนมาถึงพระเจ้านั่นแหละครับเรากําลังทําตามพระหมหาบัญชาในขณะที่เรารักษาพระหมหาบัญญัติเราต้องถาม ว่าเรานั้นรักพระเยซูด้วยสุดจิตสุดใจมากน้อยขนาดไหนแล้วเรารักเพื่อนบ้านของเรารักคนที่เราอยู่ใกล้ๆนะครับด้วยมากน้อยขนาดไหนจะต้องไปคู่กันครับนี่คือการใช้ของมระทานที่พระเจ้าให้กับเราอย่างถูกต้องและมีทักษะการประกาศนะครับถือว่าเป็นดีเอ็นของคริสเตียนเลยครับถ้าเราไปตรวจ DNA นะฮะเราก็จะเจอว่าอืมนี่เป็นคริสเตียนพะอเลยครับเพราะคนคนนี้ อยากจะประกาศอยากที่จะทําตามพระบัญชาของพระเจ้าและดีเอ็นอย่างนึงก็คือว่ามีความรักครับรักในพระเจ้ารักในมนุษย์คนอื่นและตอบสนองความรักของพระเจ้าอย่างถูกตอ้องประการต่อไปครับเราฝึกฝนยังไงเราฝึกฝนการเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับผลของพระวิญญาณสุทนั้นมี9้าอย่างในพระธรมกาลที่บทที่หาข้อยีิบสองยี่สิบสาม ปัยผลพญญานนั้นคือความรักความปราบเพิ่มใจสันติสุขอันนี้แบ่งเป็นสามชุดนะครับสามชุดเก้าอย่างแบ่งเป็นสามคูณสามนะครับความรักความปราบเพิ่มใจสันติสุขแล้วก็ความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนพระพี่บอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมัญญัติห้ามไว้เลยพี่น้องครับการเกิดผลของพยานบริสุทธิ์นั้นก็เราจะต้องเกิดพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะ แต่ละผลแต่ละผลเนี่ยอาจจะยังไม่โตเท่ากันเป็นไปได้นะครับบางคนเนี่ยก็มีเรื่องของความรักมากกว่าคนอื่นบางคนก็จะมีเรื่องของการรู้จักบังคับตนมากกว่าคนอื่นไม่เป็นเรื่องแปลกครับเพราะว่าเราต่างคนต่างก็มีภูมิหลังนะครับการตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้าต่อความรักของพระเจ้าแตกต่างกันแต่แต่หลักการการเกิดผลนั่นก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ย ผลจะต้องใหญ่ขึ้นโตขึ้นมากขึ้นได้เรื่อยที่นองครับการฝึกฝนนะฮะผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้ก็เรียกว่า Pursuit of Excellence หนังสือเล่มนี้เขียนโดยท่านศาสตราจารย์เจริญวัฒนาสินนะครับที่ยู่นังอยู่ท่ามกลางผมชอบคำคำหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ท่าบอกว่า My best is not good enough My best is not good enough. สิ่งที่ผมทำดีที่สุดณเวลานี้ยังไม่ดีพอและนี่คือการฝึกฝนแบบนักกีฬา My best is not good enough ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ดีพออันนี้คือวิญญาณของอักขทูตเปาโลซึ่งรับใช้พระเจ้าอยู่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ดีพอ ข้าพเจ้าได้บากบั่นและข้าพเจ้ารู้ว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่รับรางวัล น, นั้นมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้วิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้หมายความว่าเราจะเข้าสู่เอ d น o n e ให้ได้ my best is not good enough ทีน้นะครับก่อนที่ผมจะจบการเทศนาในเช้าวันนี้อยากจะยกตัวอย่าง สคนที่อยู่ในภาคกัมพีครับคนแรกเรารู้จักดีเป็นคนที่เขียนพระกิติคุณมารโกนะครับมารโกนั้นก็ผิดพลาดหลายอย่างในชีวิตหลายครั้งทีเดียวภาคกัมพีได้บันทึกถึงความผิดพลาดของเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับอยู่ในภาคกิติคุณมารโกซึ่งท่านเขียนเองแต่ท่านเนี่ยด้วยความถ่อมใจของท่านท่านไม่ระบุชื่อว่าคนคนนี้เป็นตัวท่านเอง ท่านใช้คำว่าเป็นชายหนุ่มตอนนั้นน่ะมาระโกเป็นหนุ่มน้อยที่ละทิ้งพระเยซูไปเมื่อตอนพระเยซูถูกจับที่สวนเกสเสมานีมาระโกบันทึกถึงตัวเองว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งห่ผมผ้าป่านผืนหนึ่งตามพระองค์ไปพวกที่มาจับพระเยซูก็จับพระเยซูแล้วก็แถมจับชายหนุ่มคนนั้นด้วยพระอัครม์ผีบันทึกอย่างนี้ครับและเขาได้สลัดผ้าทิ้งเสียแล้วเปลือยกายหนีไป มาระโกนั้นพูดง่ายว่าหนีเก่งนะครับหนีตั้งแต่ตอนที่พระเยซูจับเขาก็หนีจากพระเยซูไปในตอนนั้นนี่เขาก็ไม่ต่างกับสาวกคนอื่นๆที่ได้ละทิ้งพระเยซูไปนะครับแต่ว่าในพระคมภีอีกตอนหนึ่งครับกิจการบทที่สิบห้าข้อที่สาสิบเจ็ดถึงสาสิบแปดผมคัดบางข้อมาเพื่อเห็นว่ามาราโกท่านนี้นะครับหนีอีกละนะครับไฟบรานาบัสอยากจะพาโยน ผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาราโกไปด้วยแต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพายอนไปด้วยเพราะครั้งก่อนยอนได้ละท่านทั้งสองเสียที่แคว้นปาปิเลียและไม่ได้ไปทำการด้วยกันมาราโกก็หนีทหารนะครับหนีทหารพี่น้องลองเดาสิครับว่ามาราโกนั่นเป็นใครในสามท่านที่สามคนที่เห็นอยู่นี่ครับคนซ้ายสุดคนกลางหรือคนขวาสุดครับ มารโกน่าจะเป็นคนไหนครับน่าจะเป็นคนหนุ่มใช่ไหมครับนะแล้วก็ในมือขวาของเขาเนี่ยก็มีอะไรครับแล้วพูดง่ายว่าหอบผ้าห่อผ่อนกลับบ้านครับเขาทำงานร่วมกันกับบรลาบัสนะครับกับเปาโลแต่ว่าอะรครับในที่สุดทิงครับจะมีปัญหาที่บ้านหรือเปล่านะเหมือนกับทุกวันนี้เวลาที่คนจะออกจากงานเนี่ยบอกหนูขอกลับบ้าน <c oughs> มารโกกลับบ้านครับ นะทิ้งเปาโลและทิ้งบาลาบัสที่แคมป์ปาปิเอียไม่ได้ไปทําการด้วยกันนี่คือความผิดพลาดครั้งที่สองของของมาราโกครับแต่พี่น้องครับในที่สุดแล้วมาราโกนะครับก็ไปกับบาลาบัสมาราโกเป็นเหตุที่ทําให้บาลาบัสกับท่านอัครทูตเปาโลเนี่ยขัดแย้งกันเพราะบาลาบัสท่านเป็นคนให้โอกาสคน แต่ท่านอักครูเปาโลนั้นท่านเลยครับท่านบอกว่าคนเนี้ยใช้ไม่ได้เห็นไหมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในการรับใช้พระเจ้ามีความขัดแยง้งมีเหตุมีผลทั้งคู่ในที่สุดบารดาบัสกับเปาโลนั้นก็แยกทางกันทํางานครับและต่างฝ่ายต่างก็ไปเกิดผลและมาราโกเองก็ได้รับโอกาสจากแารดาบัสบารดาบัสนั้นมีชื่อว่าเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจครับ เมื่อบาราบาสันให้โอกาสอาจารย์บาลอาให้โอกาสมาราโกอีกครั้งหนึ่งในที่สุดมาราโกจึงกลายมาเป็นผู้ที่เขียนพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์และเป็นพระกิติคุณเรียกว่าพระธรรมมาราโกในที่สุดเราเห็นว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาไซค์แตรกไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญ ก, ก็คือว่าจะต้องกลับใจใหม่เข้ามาอยู่ในรูวิ่งเหมือนเดิมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการให้โอกาสครับ บางท่านบอกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็น the God of the second chance ก็คือว่าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองเสมอทีน่นครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหากท่านใดมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดพลาดหรือแลาวก็มัอยู่ในเรียก ว, ว่านอกลู่นอกทางของพระเจ้าเนี่ยให้กลับมาพระเจ้าให้โอกาสเราเสมอครับในเวลายการเนี่ยเมื่อเรากลับมาเนี่ยเราจะได้รับโอกาสที่จะเข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะแต่อีกคนหนึ่งครับ อีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อว่าเดมัสหลายหลาคนนะครับก็อ่านพระคัมภีร์ไปก็จะข้ามว่าเดมัสนั่นเป็นใครกันแนะ่เราพบชื่อของเดมัสอยู่ในพระคัมภีร์สองตอนด้วยกันนะครับตอนแรกอยู่ในพระธรรมฟิเลโมนบทที่บทที่หนึ่งข้อยี่สิบสี่เดมัสนี้เป็นหนึ่งในสี่นะครับของคนดังนะคนดังคนนี้มีชื่อว่ามารักโก มรารโกรก็คือคนเดิมที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอีกคนหนึ่งชื่ออริสชาคัสอีกคนนึงชื่อเดมาสเดมัสคนนี้นะครับและลูกาเรู้ไหมครับพี่น้องครับสองในสีเนี่ยเป็นคนที่เขียนพระกิตติคุณลูกาเขียนพระกิตติคุณลูกามารโกรเขียนพระกิตตุณมรารโกรนะครับแต่เดมาสเนี่ยในพระธรรมสองกิโมทีบทที่สี่ข้อสิเราจะเห็นนะครับอาจารย์บาโลเขียนจดหมายฝากไปถึงชาว ไปถึงที่โมธีสองทีโมธีนี่ถือว่าเป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายตอนที่ท่านแนจามาโลกําลังจะถูกจับไปฆ่านะครับเป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายนั่นหมายความว่ายานมาโลนั้นเห็นชีวิตของเดมัสซึ่งเป็นซอกเป็นหนึ่งในสี่ของบรรดาผู้นํำทิศจักรในสมัยนั้นนี่นะครับในที่สุดแล้วนะครับท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าเดมัสหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้า ไปยังเมืองเฮโอนิกา For Demas has forsaken me, having loved this present world ก็คือว่าหลงไปกับโลกแล้วหนึ่งในสี่ของผู้นำคริสจักรในสมัยนั้นเนี่ยหลงไปกับโลกแล้วและหลังจากนั้นนะครับชื่อของเดมัสก็ไม่มีการกล่าวถึงอีกเลยในขณะที่เขาเป็นหนึ่งในทีมเข้มแข็งในการประกาศในการสร้างคริสจักรแตกในที่สุดเขาหลงไป รักโลกมากกว่ารักพระเจ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับว่าเดมัสอาจจะกลับใจใหม่หรือไม่กลับใจใหม่เราไม่รู้แต่พระองคผีไม่ได้กล่าวถึงเลยและเป็นสิ่งน่าเสียดายมากครับหากไม่มีชื่อของเขาบนสวรรค์เช่นเดียวกันครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากหากไม่มีชื่อของเราหรือคนที่เรารักนะครับเข้าในเอ็นโซนเข้าในพื้นที่แห่งชัยชนะเี่นครับ พื้นที่แห่งชัยชนะสําคัญและมีคุณค่าขนาดไหนครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าการเห็นคุณค่าของพื้นที่แห่งชัยชนะบําเหน็จรางวัลก็คือสวรรค์ น, นั้นทําให้เรามีพลังใจมีความมุ่งมั่นในการที่เราจะเข้าสู่เอ็นโซนในการที่เราทำตามเงื่อนไขทั้งสาประการข้างต้นนี้การที่เราจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถาวรนะครับไม่ยั่งยืนเทียบเหมือนกับมงกุฎ ที่ทำด้วยใบไม้ครับในสมัยก่อนคนกรีตเวลาที่รับรางวัลเขาจะมอบมงกุฎใบไม้ให้ใช่ไหมครับคนที่ชิงเป็นที่หนึ่งแต่ว่าในการครอบครองของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามอบมงกุฎที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันเสื่อมถอยไม่มีวันเสียก็คือสวรรค์ซึ่งเป็นเรื่องถาวรเป็นเรื่องนิรันด์เป็นบ้านใหม่ของเราที่จะอยู่ ไปชั่วกับชั่วกันในการครอบครองของพระเจ้านะครับเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เป็นของโลกนี้ที่น้องครับหลายหลายคนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นม้าตีนต้นนะครับออกสตาร์ทดีเหมือนกับกระต่ายนะครับแต่ไปไม่ถึงพื้นที่แห่งชัยชนะขอให้เราเป็นเต่าครับภาคเพียรพยายามนะครับในการเล่นหมักลุกเนี่ย เขาพูดกันในบรรดาเซียนหมักลูกบอกว่าเก่งไม่กลัวกลัวอะไรครับกลัวชา้าเราก็ค่อยไปด้วยความเพียรพยายามนะครับแบกกังเขนของเราเหมือนกับเต่าที่แบกน้ำหนักของตัวเองอยู่มันค่อยๆเดินค่อยๆเดิ น, ค, ดนค่อยๆเดินตามพระเยซูปไปในที่สุดเต่าตัวนั้นก็จะเข้าสู่พื้นที่แห่งชัยชนะหรือเอ็นโซน ออขอบพเจ้าอวยพกรุณทุกท่าน